มันมันนีอยู่แล้วท่านมีแล้วเป็นอยู่แล้วในการลักษณะนี้แต่พกเข้าเล่นพยายามที่จะดิ้นพยายามที่จะออกแต่พอเขาโมเหเห็นเห็นลักษณะนี้แหละทีว่าโอ้นี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเข้าต้องยอมลับว่าการปฏิปฏิบัติท่านนเพื่อต้องการที่จะเปลี่ยงความรู้สึกของไอซิโนนออกมาเมื่อมันเอาตัวเข้าเข้าไป่ยวของไอซิโนน เกื่องของเขาเกี่ยวของโดยสติสัมปชัญญะบางคนก็เห็ว่าเอ้ยเหตุยังต้องเปล้าท่านเปล่าอะไรสักแบบเหตุต่โดยสติสัมปชัญญะมีข้มุสิกุเนื้อหู้บางครั้งมันการมันหู้แต่ในความฉิบขู่แต่ในอารมณ์ด้ยมันหู้ถอนเป็นออกมาจากอารมณ์เม่เช่นนั้นมันหู้ก็แต่มันกรสมุ้นมันกระต่างเลยคํนพัดไม่ได้เจ้าแก่บคนอย hey, like you know, mm hmm. ู่กันรอ่นร้ายเยรสนันั้นมันก็ว่าแต่เลียกับอาละาดบบเดียวกันแบบเดียวกันแบชั้นสมัยแบบเจ็ดชั้นสมัยแบบแปดเล ทลนั่นเราเจ้ากับเลียนรือแต่เราตอนนั้นนี่ไม่เิเป็นพระพุทธเจ้าให้เชื่อพระพุทธเจ้าออกเบียจากอ่าปราาตร์มานุมากอะได้ยัองน่ะต้องต้องหปีแสลงหาคมทั่งต้องหปีหกปีพระพุทธเจ้าเริ่อนมงได้เมืองมงได่มันเริ่มออกมงออกเบียดมงเกิดเริเสือลนทีนีวันน่มันเป็นมเป็นพระพุทธเจ้าเกิดได้ขณะที่เป็นพระพุทธเจ้าเกิดสินในขณะที่เป็นนางกัปเทูุสมอุตตราสมาสมพระพุทธเจ้าสมพยายามเตโที่ต้องหาที่พระพุทธเจ้าเป็นราชเจ้า มันมีเพื่อ้าเดินตามแล้วผูดเจ้าหรือเดินตามแวผู้กตามเลยว่าต้องไปเหตุทานตมาี an, ่ทานเขาช่อเข่าช้าเข่าั้นต่างๆน่ก็ให้มันเหมือนกับ้ดีเจ้ามงเข่าช้านเข่าชานสมาบัเจ็บช่านสมาบัดแปดมันก็ผเจ้าแล้วก็สมาริทุกข์าตยาอดเขาอดตามกันลมาหายใจนีหายใจทนทุกข์ทรมานทุกขวนาขื่อินมากินมากอันนั้นนิสยา่ยยังจับหลักจับจุดของแนวทางกาหลักขาพุทธศาสนายังไรทำไ้ อ่าวอุมาง่ายเหมือนจากมันก็ห้าสานจำนวนงทั้งคุณงสนอจากคนเจนจากในเมืองมาถึงสนามทั้งแยกเข้าสนามบินประมาณเจ็ดแปดกิโลเขาสานมันไม่ส่งเฮ็ะเฮ็ดมาตั้งแต่ต้นปีต้นปีสามเก้าปลายปีสามเก้าหรปลาปีสามเก่าระยะการททำมันทางทั้งเลยจ้ะมันจะประมาณปีนี้ปีเศเศษีเศษ ขณะดผู้เดินทางนี่เนี่ยปี17ขนาด 17-18 กิโลตอนนี้พูกเข้าผูเดินทางมันเอายางหรือแบ่บุคคลมือหรือทีอดอยู่เนี่ยบุคคลมือกันยางเนี่ยแต่กันขี่รถมันแค่เดียวไวลาชั่วโมงขนาด8กิโลยางมีแหละเป็นซีเรสในเรนปี๊ดแค่เดียวนี่ยแค่เดียวถึงจุดผู้ถางทางผู้เดินทางกับผู้เดินทางผู้ถางกับผู้เดินทางมันต่างกัน สะดวกสบายประพุทเจ้าถางมาแล้วมีมาแล้วมช่เนันพระพุทธเจ้าโดยทั่งมาแล้วว่าหลวงพิทมาแล้วมีมาแล้วจะเพลิดเพมันยังหยุดทดล้นหยุทดสอบหยุดทดสอบตรงนี้ตรงหลังข้งงมาคำนว่าอเห็นนังท่านยังมันก็ช่วงหนึ่งที่เกิดขึ้นครับุดเกิดขึ้นมาเลยว่าเออให้หนึ่งกระบอกเศษผ้าเป็น้าขนของขี้ใจมากเลมากนดที่จะรักษาสินของให้มีคัาเป็นปกติอยากินเจเห็นหนังสือข้ออ้ามเจมากเลยซึงวิศวอนมเอียงก็ต่าอยากกินเจ อยากปฏิบัติยินแฮงกินโจ๊กกินเกี๊ยหแฮงเท่าไรกินก็จกระแดกินกนมันปูน้าปลากินก็พัทเกษตรตั้งใจด้วยตั้งใจเทปเทปพวกเทปขาอันนั้นแสดงว่าเฮงนี่มันนังยไม่หยุดกินยุดหลักที่ไหนนันจาไรแไปเห็นเขาเทปไรยังดีก็ดีเทปแต่มัมันไม่เป็นตัวของตนเองเพราะเทปแต่ละเทปแต่ล้สึกว่าจะเป็นภาระของเาของเกิดขึ้นมามันก็เลยเออกระมองมามองเห็นเว่าอืมเข้า มีชีวิตเนี่ยโดนอื่นหรือคนอื่นเขาท่ให้เขาเดือดร้อนกันบ้างใดนี่บ้างใดมิยังเขาจันไปนี่ไปปกติมันจะจบอยู่แค่นั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติดวยการกับทานหนึ่งด้วยว่ามันเป็นเชื่องหนึ่งกันกับทานไม่กานไม่ให้การปฏิบัติอยู่ของเขาด้วยซ้ำปฏิบัติธรรมือมีมาคืนเลื่งนเร่งความเพียรความเข้มงวดควเข้าในยุคก่อนสมัยก่อนในการปฏิบัติในการกระทันทัพุบัญอาตาเขาเกาเนื้อกล่ามเขาจะเห็น ในระบการปฏิบัติทางหลเทียนอยู่ใกล้กัเทีนนี่่เทยนปฏิบัติมาในผมกับเพื่อนแกช่วงระยะหลังๆนี่มาเห็นกับคนกับคนมันจะม่อยู่วัดโมกนี่กันตอนแรกมัมีฟังตั้ใจยว่าอยากจะอยู่ใกล้ชิดเพิ่นจนเพิ่นสีมดต้มหายใจมีหายใจแลับใจข้าทิมาวากันอีกชนิดอ่าทีไปยังในลักษณะใดอ่าอยู่ประถมปะถารกับค่นงหนามีน้อยไม่ต้องอยู่ใกล้เคนื่อนเวียนห้ันบางคนนวท่านเราเป like ็นผู้เป็นธรรมท่าไม่ใช่เลย พระทุกข์นี่แหละที่จะดูแลท่านในท่านไม่ใช่อาตมาไม่ใช่ไม่ใช่อาตมาเพืเดียวในเพ่เด right. <Esta> ียวองเดียวพากสุทั้งทานวัดทั้งเมตติทั้งวีจะดูแลรักษาดูแลเป็นไงบััติรรมเป็นมีคนอันนี้คือกเพราะฉะนั้นว่าการปฏิบัติของข้าวเนี่ยทำให้มันเดินตามร้อยจะเตามร้อยลก็เชี่ยนด้วยการปฏิบัติของข้าวหรือขงข้านี่นทำ้มันเดินทำ้ห้มันตรงมีกริงจริงวันนี้บาง้วบัตนาลูกศิมันซิ่งเป็นสึ่งมีปีกใหย่ที่มัน กาพูดกันคุยกันเื้นหน้ากันมีกัรม่ซู้อนันก็เป็นเรื่องจีดใหญ่กันมีกันไปมีไปทั้งทั้งที่บางทีบางอย่างนัซื้อว่ามันจะที่ผมมองบางครั้งบางขณะหร้อจันก็เป็นการส่วนทั้งนี้กันส่วนทางในทางกัรปัจจในทั้งของคนมีของเพ่นทั้งทางที่มันจะเป็นอิรักมีเมืองอยู่แบบเมงหนึ่งเอแบบง่ายแบบสบายสบายแต่บางั้งมันไม่ือ่จัดมืองจัเมืองไม่ซื้อนันเป็นเรื่องสาระที่ แทนทีไม่ใช่เป็นการออกจากชิโนมันแต่พอเข้าไปนั้นที่ยะหมุนกลับเขไปหาที่นมันหนักเกนไปนี่เกนไปเพราะโยมปาจะฟังายจิตควาเห็นมาไวในวว่าบางทีบางย่างมาขม้มาะจะเข้ากับต้องมีความเบ่งให้มันชัดเจนต้งใส่นี่ต้งใส่ว่าเขาที่เป็นวิลัษณะใด <s. S 2> มีเป้าหมายในการที่จะปฏิบัติมีเป้าหมายในการกระทันมีเป้าหมายในการความรูอมของเขานั้นว่าจะไปทางไห น, านทางไเพื่อต้องการปัดเปื้อนปัด่ามสุเนีของ รถเครื่องเขาไม่สืบเครื่องรัศนคติทานท่านนั่นจิตเจริญเขาออกไปเนี่ยไปหรือว่าต้องการดูอยากสัางเครื่องทัศนกติของเขากลุ่มมัดแน่นของเขาไปตลอดที่ตลอดเพราะฉะนั้นว่าการปฏิบัติงานในเชวงรายนี้อเชิงที่หาหกดูเฉพาไนั้นมายุ่งกันยุ่งกันกลเป็นการแสดงออกนีออกในทางที่ดีในการปฏิบัติต่างคนต่างหนูต่างคนต่างเศษต่างคนต่างคเข้าใจกันมากกันมากก มาหลุดโยมกันในกันมาพูดมาคุยกันคือการตั้งแสดงออกตั้งพวกอยากโน้มที่แสดงออกมาขึ้นอยู่กันมิเชื่อเออการมีความรู้สึกอ่าแสดงออกให้การแสดงออกเหยยิ้ไม่ตั้งกันมีกันความรู้สึกลึกๆมีความรู้สึกเข้าใจทันทัันมีกันและเชื่อเออการเอาการต่างค้นมีความรู้สึกตั้งค้นกับตั้งมีความชิดของตนเองตนเองนลงไปในกันปฏิบัติปฏิบัติทางใจของโลกไปกับมั่งการเป็นช่วนหนึ่งจะเมื่อตัวเข้ามาอยู่รวมกันในกันเท่ากับเมื่อมองเลยเห็นเมื่อเหยียยิ้ไม่ตั้ง แลคนเข้นนี่เป็นบุคคลที่ในฟังฟังคนามคิดเห็นจากคนอื่นฟังดีแต่ เ, เราเมาาือ่อฟัองแล้วคนมาไต่กองกองกองเมื่อไรเราสึกว่าเอ้าท่นกลับเป็นตัวของตเอง น, น, นเองของตนขึ้กันนี้นกันสติปัญญาของตนกันเลยคือว่าเป็นต้นที่เฉียบขาดแก้ปัญหาเฉพาหน้าแก้ปัญหาเฉพ า, าะเป็นเรกว่าโอ้เฉียบมากนี่มากเพราะฉะนันว่าจะเข้าสี่เดินตามแบบเดินตามรอาคนเขี้ยนเดินตามรอบของตัวใจ เดินตามแล้วในการปฏิบ <Sam> ัต <Ig ació, S 2> ินี้ว่าต้องเดินตามแล้วในลักษณะเป็นสั่งเกี่วกพันธนาการขินมาในขินมาเพื่อให้ค้นยำหลับบางเท่าบัณฑนะคันเท้าไปเดินตามตนขยันมากเกินไปนี่เกินไปนั่นกับแเป็นตัวของตนเองนี่ตนเองมากแต่คันเท้าลียเพรอะเามห่างเกินไปเขาเกิดไปมองสังคมเป็นว่ามองทั้งเต๋ามองทั้งตนเจอของน้ำบอมองเฉพาะเต๋าเจอของมองเจอของหันมองเห็นเจอของเห็นเจอของเพืเดียวนี่เพื่อเดียวเขามองไปเห็นมองไปเห็นคนอื่นน้า ล้วก so hey, ็เ yeah. ช But ียอมันจะบอกย้ำอยู Sarah, s, ่ตลอดว่ามองเจ้าของนั่นมองบางคนอื่นมั่นไม่ใช่การกราบเท่าันการกราบกันว่ามีกากราบคนอื่นคนเขากราบแบบลักษณะแบบนะเขต้องมองงกันเพากราบมาไปเาต้องเดือยใส่แล้วแังงทนขืนนเล่นแบบนีมีแบบทนดลักษณะเป็นลักษณะแมันกราบไปไไปไปไไปไปไไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปปไปเป็นไปไปปไปไปไปปไปเปไปไปไปไปไปปไปไปไ่ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไเปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปปไปไปปไปไปีปวปปป ดึกอ yeah. ่าเป็นคนหนึ่งที่คนเดียวเหตุคนเดีปฏิบัติหน้านี่มากตอนนั้นพวกเขาที่มาอยู่รวมกันมีรวมกันมีความสมัคสมานสมาธิกันมีความปฏิบัติปฏิบัติอันเดียวกันแนวหนึงเดียวกันดูว่าเอาแล้วก็เที่ยนเป็นหลักเอาก็เที่ยนเป็นอเป้าหมายในการกระทั่งในการละล้อมความอยุติของเขาในของเขาก็ต้องพยายามลงเบิงพยายามปฏิบัติลงเบิงทาลังเบิงลงเบิงเข็ดไปแล้วทำไปแล้ว มีความรู้สึกกุมารเปิดใจมีความเข้าใจลักษณรใดแต่ําหู้จากเข้าใจคำปัดก็ที่นั่นถ้าสามารถที่จะถอนเจาะอขอกม้จากที่นั่นมาได้ก็เอออันนั้นกาคานามโอธนาข้าวะนันวาบางทางมัรคณาช่วงการชวงงานอ่ามันสิเลยมันขาดตกบกพ่องเลยกวาอ่าของอาหารท่เบคออ่ากดู่นกระดานางสนับสนุนจากจังจากงมทั้งในตลาดบ้างทั้งในบ้านมีบนเขทงกันให้บ้างหรือบ้านบาดสุกพาบ้างละลายที่ละลายแห้ง ประกาศมารวมใหม่รวมมือกันมีกันยิ่งมีความเว่าเป็นการเั็งานมาอย่างใดมียังใดรูสึว่าขาลยาดเงประกาศมีความให้ความรวมใหม่รมมือแต่าทั้งที่เข้ากับเรายเหยีโดยัดทเหมือนกันมันจะตูสลัดสลับตูกระโดงกระเบือ้กันประกเพียงจะตาลบกันช่งนมมือเขาตั้งใจมีั้งใกันาหนึ่กัมากันรูสว่าเออก็มีความให้ความความเช่งเฮี้ยงหน้ากันมีกันเล็บป็นางทำอย่างรู้สึกมันจะดี เพราะฉะนั้นว่าีซิลามีมันจะเป็นว si like ัตถ right yeah, ุภายนอกแต่เฮ็ดยังทําอย่างดีเชื่อมีแต่ยังโดยทํานไม่พุ้งใจโดยทํานไม่พุ่งใจมีความดีใจแต่ว่าอยากให้คนห้ามใน้นมาสัมผัสในการปฏิบัติในสัมผัสกับชีวิตของเจ้าของให้มากเราเบิ้งมีเราเบงมากตัวนี้จะเราเบิ้งเข้าใจกันก่ดนหน่ซีไปเอ่อเข้าใจในคำคำตั้งใจกันเบิ้งใจมากตัวนี้จะยิ่งจะไปตริจจริงๆมีความพื้งใจซิ่งมันจ่ามีกัเขาเป็นเข้าไปในการปฏิบัติระปรับโลกเขากระสางมากีนมากกับร้ายซุดซุีเพราะฉันเชื เ <G ül üş> กืบอบยีย่สิบกว่าปีแล้วัางกตีซองคณะรก็ดิบเ็ดคนมาสังส่งหลงปู่หาหงนุ่มาั่งว่าสั่งวัดสั่งว่าหลงปก็เชียนมาอยู่หรือมาอยู่กัมาปฏิบัติมาท่าถาอดพึกปฏิบัติมาในมาแต่มันก็แตกคือแย่คนเทาบางครั้งมาคณะวิ่ี่จนมิจเป็นทีชุมชนของคนไปคนมามิะจฉาก็มีลายลูกลายลูกแบบาลายธีกัน คำพูดว่ายุนีก็เลยซูจังจนสี่เห็นว่าเออแบบมันไก่ถนนคนทั้งคนดีกัเข่ามาคนเสือกับเขามาคนบดีคนเสือกับเขามาเข่ามาถอกอาธานเข่ามาหามีชลอัดหลายเรื่องหลายร้าเกิดขึ้นมาในขึ้นมาตลอดมันคืว่าท่านในห้อตื่นที่ตลอดที่ตลอดคนไป่คนมาเหตุจเลยท่านจำเอยยุราจำเคือคนตื่นจนตื่นตัวนตสังเกียดที่จังเกลียดต้องกาคนใส่นมาเขาจะได้เห็นเขาจะได้รู้ว่าเออ มาในรัศม well, ik hm ีมาาละกันมาไหนเป็นแบบใดทำแบบในมาอยู่ลักษณะใดมันกิไก่ไก่เมืองชันเมืองไปชิมนวลาที่เราพอบนท่านเป็นแบบว่ามาเมื่อนึงอ่าถือปิดกุญแจเดิดขามกระแพงขามาขนมาพัดต่มว่ามันก็รู้สึกมันก็นี่อ่ามีเหตุปุ๊กันตอนแรกก็ได้คิดเราจะปิดประตูล่ะในรัษณะเมื่อนึงเราเหตุการณ์ในช่วงวลาเมื่อนึงก็เจ้าทำประพาทำบัดจบรัศมล่ะเลยกันไปนี่กันไปบนี้ มีรถคันหนึ่งแลนจี้ขมาเมื่อขมารถเจ๋งแลนกันแล้วบอกว่าเขาวาฬพระเด้ขุนแลนเลิดขากายค้นทางตะลังดอกพาเปเออมันสึมาอย่างรถคันนี้พระก็เลยไปไปบงอยู่บิ้งบงหลมันก็มันรักมาจนแล้เอาหาพุ่ย่มากห่องมากอนมริกันห่องแกล้งจีนรถในล้าแสดงว่าเอแบบนี่รู้สึกมันกสถานที่วัดมันก่าเส้นดีให้เป็นสถานที่วัดจริงๆมีจริง กอเนี่ตกันมันมาผ้าแล้วเป็นลักษณะหนึองว่าก็ผาทนเป็นอะไรเวอเหมือนอะอะไรล่ะครับรเปลนรล่ะครับผมเป็นเจ้ในตำรวจเจ้าในตำรวจที่บ่ายนั้นไม่จะขอจกควนกัเลยปาล็อกันว่าเออทำงานกับปิดประตูซะที่ประตูให้นเรียบร้อยว่า้นใหญ่นเกต้นเข่ามาม่ามมาก็อ้าว่อมนปิดประตูกันต้นกันคนดีโดปิดประตูประตูกันคนชส่ปฏิบัติปิดประตูกันคนดีเ พอคนช่วยบางคันมาคณะมั่งการจะมาขโมยยามนัดกุฏิกุฏิของหลวงป่หลวงพ่อยนวยๆอยู่ด้วยกันกันไม่ได้มีอะไรเพราะเช้าเวลาจะเข้ากับดีดีมาได้มามีกันมีกันการตั้งคอใา้บางการบาคณะเพราะว่ามันการเมืงคือขั้นขโมยในขโมยีกอนบัดโมดังใวาเปลยนมั่งสนกับเนโคกกเป็นไฟเนแบ่โคกเดนแบ่บนี้ดแต่ยังม่า่อยู่จาอยู่แหงอยู่แหลงอยู่แหงอันนี้แต่เมืินทรสกองมันคือขั้นขามยในขโม อ่าเรืลองไกยเป็นไก่ใจกลางเมืองใจกลางของเมืองในของเมืองเป็นตาใหม่เป็นปอดอ่าเป็นปวดเมือยคอมเจนไปจากไปงั้นที so ่สั่งเป็นปอดที่เมือยคมจนเกน้อยนั่นแหะเพราะว่าเมือคมจมมีสภาวะย่อนสตางแต่ซีแยกร้อนแปรนกไปในก็ไปรือรถจี๊ดจี้เงื่ไปเมื่อถอดสารเดิมห่อเขอนในเมืองตักอนเนาะ ว่าออนสนกเรือนลายยน่อยตกอนนี่ย้ำดศราดิเห็นอ yeah, ีกามันมันบินออกหากินกากากาบินบนท้องาพปมพ์กินเันก้อนไปม่จเป็นเมดมันนีสมัยสมัยนี้องไปเห็นอรอีกาแก้วอีกายุดปัจจุบันหอีกาอยุดให้เพกอีกาอยูสึกว่าหยุดโคการิัสึกยศราผแม่นิเวศเป๊ะเป็นลามเป็นทั้งอาลาอาลาลาดเข้าไปเมืงอ่า เป็นเป็นเป็นฉี่เีบอใครเป็นฉ the so ี่เยอะมากใรู้สึกว่าเป็น k หมืนพาาปมนี่เนไม่เาไปลกกะกกบนกงออกจากเมืองไปล้อมหือปนันนังมือนงนังอยู่ข้างนอกร้สกัดโอาสมนมันบินสูงดให้มันบินมันบินตัๆแต่อาบินสูงูกอไปเมืองไปแต่ว่าาไปมากพวกที่นอนยแถวเึงม่อาตกก อีกาบันีโต๊ะก๋ต๊ะลางอกาทีบมันไปโดยกาเอ้ตายสาสุดาสี่ได้มึงมึงจะไกหน่อยว่าลุนเพราะฉะนั้นกะให้พ่อให้แม่ตะเข้าีิมาร่วมกันมินีกทวาดามรากหายจากกันไปอาจจงเป็นแบบคุณมันบดีว่านถ้าระนวัดกามก็ฟังเลยนี่เนาะเรต้องเจ็บเอาไปเม่ไปสิ่งโลมันดีมันงามกาเขาให้เอาไปใส่เนื่อไปใส่ไปสอในชีวิตประจาวันเอาพวกเขารนมยินคาเทศคาสันของเพนของพระผูดาจา์ต่างๆหนต่างกเจ็บไปใส่ จะไข่ปะปุงในการกระทําของตัวของตัวคนเทามันมันอยู่ได้โดยการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดมีตลอดโดยมันอยู่พื้ที่เฉพาะที่นชิชนมิ่งเกิดขึ้นมากเกิมามันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเท่าภาคหน้าร่างกายของเท่าก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตะกี้ตก้อก็เป็นเล็กเล็กน้อที่เสมอหนึ่กับเปลี่ยนแปลมากเป็นแถาเป็นแจนมนั่งมือเหวี่ยงนั่ยันไปมีอไปมันก็บึงข้างเลยเรนดึงข้างพอขึ้นเลยเราแบบเออพื้นแถไหลแท้ตีเหนียวมันค้างยันเต็นไปนิวเคลี โอ้ยมันกระเถมันกายู่กันหลายเลยเอออันนี้มันก็เป็นเรงธรรมดาถ้เถ่าไปแล้วมีไปแล้วตะกี้ตกอนก็ไปทาเท่ากันใดนีกันใดเพราะฉะนั้นว่าไม่นี่ก็ในฐานะที่อาตมาแลวก็เป็นเป็นพูดีดูแลรักษาธรรมวัรนวัดอ่าู้ไปผูมากับมาผู้อยากมาอยากแวะอยากพักอยากมาพักมาเศร้ามาแวะมาหมือนเศ้ากับมาอยากเล่นพูดีมากับมาให้มือกันควเพี้ยงอ่าไปไปมามากัมาแวะมาหากันมีกันกับบังคังมันะอามีจาหนาจตาได้ นั him him? Ah, wow. said, go, ่นค the ือยาพยพมันล oh ่ะจำนาได้เพรว่าบวกูขจัดว่าตะม่ายุนีนียุนีนางพันไปไปเมื่อวานก็ไปหานมที่เป็นสบายรถคุยนมสวายรถของพระนายจ่ายนอ่มนท่านก็มาแล้วดันวะเขาถามพรนายจ่ายอุ่มว่าเฮ้ดผมมาเหรอผมไปไหนวะจากนุ่มก็เลยบอกว่านี่ไหลาเจ้าบ้านเนาะแล้วบ้านเนไม่รู้จักว่าไม่รู้ว่าท่านอยู่ที่นี่เหรอเออเอ้ามันมันก็ดีเย่ยงหนึ่งว่ะเนาะ หยาบิยมก็ดีอยู่กันนี้่กันหรือเออใครจะหื่อจากเรื่อง่จากหน้าหือจากตากันก็ดีนี่กันดีอยู่จากเืองโยมแต่ที่จริงแล้วจะไปบอกบอกหล่ะเพราะว่านิสัยมาทำมาทำมาทำม่ไปบอกแต่แต่ก็บาคิดว่าจะห่วงวัดห่วงบ่าแบบบอกไปแล้วนี่ไปแล้วก็ห่างเทกับจำอะไรไม่จาซื้อคนรู้กันถามหลายเก่ยวหลายที่แล้วก็จาซื้ออะไรยังไงอะไรก็จำใบหน้ากับพ่อละเนาะจำใบหน้ากับพ่อละนี่ต้องไปจาซื่อจำเสียงมาทำําทำชื่อเสียงกันอ้ ตอนนั้นพวกเขาเพ่มาอยู่รวมกันอ่าในเมือนอี้เป็นเมือสุดท้ายกับความผิดพลาดบางทีบางอย่างก็อาจิมีกัขออาภัยอธิบายอาจารย์อาศัาายที่รับเทื่อที่พักผ้า อ, อาศอยอธิบดสะดวกสบายตามในพวกเขากที่ว่าขอต้องขออาภัยในทามาจูเป็นเจ้าของสำนักสถานที่ในการปฏิบัติครั้ง ง, งนี้กัที่ว่าได้รับความบ่นใหม่เดิมจากคาบอธิบายอาจารย์ลายหลุดลายองละลาย่ายวนในกันมา หากหนาายตาก็สมควรเนี upon upon ่ยเต้นใจกับมีความปิติมีความภูมิใจต่วปีนาที่มาจี่วัดโมกกะกะพรอมวัดโมกกะเป็นวัดโดยมัวัดของผมกเรามีมับเป็นสถานที่เราเชื่เคยมาอยู่มาเศ้ามาพักมาปฏิบัติมาเล่นมานี้ขึ้กันก็ถือว่าเป็นสิ่งนึงที่จบเขาเกิดตงค์กากมาถึงจนมีสิทธิ์ได้ย่นกปฏิบัติพรวอ่างตนนี้ปฏิบัติที่ตลอดล่ะบริเวณทิ่งบริหางบริว่างเล่นองไปเน้อไปถึงว่าคื่ได้จัดงามจัดกจัดงานงมาข้างหาะปฏิบัติ ปากติดปาคุยแต่ว่าสะโมกับคอยนมมันแหละเนาะก็คือผ่าจังเลยมันกระต่างกันอยู่ผ่ากัคือผ่าโนมกับคุยโนมในความคิดความใส่ใจบางครั้งมาอยู่วัดนําเขากับฤาษีว่าพระเข้ากับฟังดีอยู่เ็นนําเข้าอยู่แต่พระสตัยกับฤาษีว่าเออไปแล้วเป็นเล่นเป็นเล่นเปนเล่นไปล่มันก็เลยอ่ากพระชนันกะเหนีกะขอกอนตีกัด อ่าพื้นที่เอาเข่าค้องเอาเข่าเอาเค้าองเอาไ ป, ไปไเนื้อตกระมาเย็บมาให้มันเรียบร้อยจากน้อยมารวมกับหน่ที่เป็นสาราะชั้นเข่าชั้นน้ำแลละครับเราบรใหารสาบรังหนึ่ันเขาชันน้ำไใจเย็นเย็นแล้วก็เหมือนจกันกับเข่ากันมาเนาะกับมีพอให้ันเยอะอ่าหายเท่าไรก็อาจจะไม่เหลือให้ห่อไปละเนาะจะอยู่ทั้งไก่อ่าห่อไปกินเข่านะห่อไปกินน้ำก็ดีขนมมือก็เอาเท้าเข่าก็เปื่อยก็มันปลาก็ไดเนาะไปกินน้ั่งน้ำข้างกินเปลงกกรกกินไก่กิน ไม่ออกมาจนผู้ที่อยากยูอยากปฏิบัติยูนี่ก็ไปก็ได้ถ้าท <as> ุกส่วนก็บท้องสิบไรเพราะว like ่าเดืยวท่านสาขาดเนาะมือหนึ่งจะมือวันที่หาที่หกมือก็ต้องกลับไปวัดมือกับจมูกเขาสากกับผ้าเนแต่หากิ้มเขาสากจิ้วจิ่วจักรนเนาะเนาะบางคนกับเดืไปจิ้มเศาสากตาต้นก็โอ้เอาการันก็เป็นวัฒนธรรมอันหนึ่งที่ดีเทียววัเห็ดไหวท่านดีไหวพูดถูกท่านถูกไหวพูดหลานหลูกบหลานเนาะดมใจว่ากับยาพากันยีเชียยุทธิน มีย de ุทธ e ิชัยนันก็ไดะไรมีอได้รมันยุทธิชัยนันก็มีการขับพนันมีการเปลี่ยนแปลงอย่งทั้งเมดกับบอดีเห็นยังไงเราแล้วก็ต้องย้อนกลับมาเบ่งเบ่งเราม่มาพินิจิจารณาตนเองเจ้าของเราจะของเป็นอยู่เราคไหนเป็นติดของของะยี่วังไดนีวังไดที่ได้แก้ไขเจ้าของถือพนบอกพนกาพนกระเพื่อจะบอกจะกาต่วการปฏิบัติวยการแก้ไขเจ้าของตัวเข้าเป็นผ่้ติดตองรับผิดชอบเจ้าของเองวันนั้นในเงิม พยินพยนยักที่โยเสยกระบวนักล่ะในเป็นแจให้เข้าได้ในกระบวนนี้บการเพราะเขาต้องแจไข้เข้าเองพปฏิบัติต้องเข้าเองในการที่จะปลดปล่อยเจ้าของออกจากความทุกข์ใดในใดเพราะฉะนั้นกาที่ใ่เวลาน่ากว่าคิดว่าพอสมควรนันกาที่โอกาสกับทีโอกาสในการที่จะขยายพยนมผู้ปฏิการบางกับซองกับองมีความเดินท่ามีความปลอดภัยเนาะขับไปในคุณภาพคุดถึงกับคุณภาพคุถึงหันละ ก็อย่าให้มันคิดทอดคัดไลน์นี่หลน์แต่ค oui> ิดดีๆคิดทอดจของก็ดีกว่าจะโดยมีความนักแน่นม mm ีความมั่นคงจะทำพิดถึงในชีวิตสิ่งที่มันบดีที่มาภายในเกิดขึ้นภายในใจของข้ากะปุ๊บไปทิ้นไปนี้ละทิ้ได้ทิ้งไปวัดโกรับโมกที่มันกียจกีดเองที่ไหที่เป็นสิ่งที่บดีสวยงามประชันการขให้ญาติโยมพระคุณอาจารย์กระซ้าเป็นท่านนความปลอดภัยความ สุขสบายกายสุขสบายใจค่านจ้าก็เห็นาหน้าเห็นตากันอีกทีหนึงเนาะในการในงานในกาขอจบไปเพียงแค่นี้